ทรงประชุมสง์สอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุตรัสถามท่านพระปิณโดลภารทวาชะว่าภารทวาชะทราบว่าเธอปลดบาทของเศรษฐีชาวกรุงราชครึลงมาจริงหรือ พระปินโดละพารถทวาชะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่า